สประวัติวาน 1. นอุปปาทวาน 1. ปัจจุบันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล50อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดกำลังเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและรูปขันก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส51อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชา ในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดในปัญเจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังเกิดและเวทนาขันก็กําลังเกิดปติโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกําลังเกิดรูปขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันกําลังเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิด ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังเกิดและรูปขันธ์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุกคโลกา52อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิดกํกำลังเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กาลังอุบัติในอรูปภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวกา ร, ระภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและรูปขันก็กําลังเกิดปัจจณีกับบุคคล53อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขัน ข, ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปประภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดปัจจณีกโอกาส 54. อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด เวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดปัจจณีกับปุคโลกาฏ 5.5 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 เวทนาขันของบุคคลใดในภูม no? ิใดไม่ใช่กําล no? ังเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปขันก็ม่ใช่กําลังเกิด สองอตีตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล56อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส ห้เจอนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดและเวทนาขันก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันในภูมิใดเคยเกิดรูปขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัตชนะในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิดและรูปขันก็เคยเกิดอนุโลมปุกคโลกาตห้สิอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตสัพพูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปขันก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล59 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีก็โอกาส60อนุโลมปุจฉา รูปขันในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกับปุคโลกาห61อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด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 เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปขันก็ไม่เคยเกิด 3. อนาคาตวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 6.2 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคลลบ ค, ลบคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดจากอุบัติในอรูประภูมิแล้วปรินิพาน เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปขันก็จะเกิดอนุโลมโอกาส63อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนา ในอสัญญาสัตสตภูมิในภูมินั้นรูปขันจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันจะเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉ sure. าเวทนาขันในภูมิใดจะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนะในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดและรูปขันก็จะเกิดอนุโลมปุกคโลกาดหสิบอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิรูปของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิด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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันก็จะเกิดปัจจณีกับบุคคล65อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพาน รูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะไม่เกิดปัจจิมภ้าวิกกบุคคลรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขัน ข, ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปัจจนีกัโอกาส 66อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาจะเกิดปัจจนีกับบุคคลโอกาศหกสิบอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันมิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพระวิกรบุคคลรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอาสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จกไม่เกิดปัจจิมภวิกับบุคคลเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่จะเกิด สปัจจุปันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 6.8 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิทัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปขันก็กําลังเกิด 6.9 อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดกําลังเกิด สัญญาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสัญญาขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติแต่บุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตัวการะภูมิและ ปัญจโวการะพูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาตเจดสิบอนุโลมปุชาร์รูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดในปัญจโวการะพูมิในภูมินั้นรูปขัน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 เวทนาขันในภูมิใดกำลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดเคยเกิดเวทานาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุกคโลกาตเสิบอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจันชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอัศญยสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและเวทนาขันก็เคยเกิด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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปขันก็กําลังเกิด73อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กำลังจุดติจากจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตัวการาภูมิและป e ัญจโวการาภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็กําลังเกิดปัจจณีกับบุคคล74อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิทัชนาไม่มีเจ็ดสิบ้าอนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉา สัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังมีไหมวิตัชนาไม่มีปัจจณีกัโอกาส 76. อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิด รูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากําลังเกิด77อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกับปุกคโลกา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 สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด 5. ปัจจุบันนานาขตาวานว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโรมบุคคล80อนุโรมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะ ปัดจิมภาวิกับบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลเราใดจะเกิดรูปขันของบุคคลเหล่านั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิตัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปขันก็กําลังเกิด 81. อนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดกำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาปชิมภาพวิกาบุคคลผู้กาลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุชชา สัญญาขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิศัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส แปดสิอนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกําล er ังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดจะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดและรูปขันก็กําลังเกิด83อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดจะเกิด เวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัรนาใช่อนุโลมปุกคโลกาตแปอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารณาปัจชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ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 ปัจฉิมพระวิกขบุคคลในอรูปประภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดด้วยเวทนาขันก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจฉิมภวิกขบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวัการาภภูมิและปัจจฉิมภะวิกะบุคคลในรู ป, ปรภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กาลังเกิด87อนุรมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัญนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่าน no. so ั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิัชนาปัจจิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติใน ปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีก่โอกาส 8.8 อนุลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะจะเกิด ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันในภูมน handicap, ิม น, นั้นก็มไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณ์กาลังเกิด 8.9 อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารณ์ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณ์ใช่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 ปัจฉิมภาวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภาวิกบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุดติจาก อ, า ส, อาสัญญาสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด91อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กำลังยุดตีจากจตุ โ, ตโวโการภูมิและปัญจโวโการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนาปัจจิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด 6. กอตีตานาขตาวาลว่าด้วยสภาบธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล92ออนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาปัจฉิมภวิกรบุคคลรูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิ ด, ดกแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจ DA ัรนาใช่93 <armies> <fungi> อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาปัจฉิมพรวิกบุคคลเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่อนุโลมโอกาส94อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอสัญญาสัตภภตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการะภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันในภ like er ูมิใดจะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิทัชณาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดและรูปขันก็เคยเกิด95อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารณ์ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุกคโลกา96อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการะภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่าน like ั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่รูปขันไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันก็เคยเกิด97อนุโลมปุจฉาเวทนาขัน ข, นของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมพระวิกบุคคล เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปติลมุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่ปจณีกับบุคคล 98อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาเคยเกิด99อนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิตาชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาเคยเกิดปัจจนีกัโอกาส100ออนุโลมปุจฉา รูปขันในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด101อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปัจจณีกับบุคลอกาศหนึ 102. อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ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 ปัดชิมภวิกบุคคลในปัญจโวการะูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัดชิมภวิกบุคคลในรูปปูพูมเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่เคยเกิดหนึ่งส อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกบุคคล สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดอุ ป, ปาทวานจบ